เมื่อวานเราก็ได้กล่าวถึงข้อความในทาาพิพังคสูตรเป็นเนื้อหาช่วงเริ่มต้นของทา่าวิพังคสูตรนี่มาดูรายละเอียดที่เป็นตัวพระสูตรนนะเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้เราเรียนเฉพาะอัตถคถาคือถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคกับท่านปกติสติกำลังสนทนากาันพอดี ซึ่งข้อความในาธาตุวิพังคสูตรมัชมนิกายอุปริปันาฏนะเล่ม23ข้อ673้สกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จจาริกไปในมคตชนบททรงแวะอย่างพระนครราชครึกเสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อว่าพักวะอย่างที่อยู่แล้วได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนนายพัวะ ถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถิดก็คือโรงช่างหม้อเนี่ยนะเพราะนายพคกวะนี่เป็นช่างหม้อครับขอพักหน่อยเถอะนายพักวะก็ทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าพระเจ้าไม่มีความหนักใจเลยแต่ในโรงนี้มีบรรพชิตเข้าไปอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตนั้นอ น, อนุญาตก็นิมนต์ท่านพักตามสบายเถิดนะก็คือเนื่องจากว่า ที่นายพัวะเขากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะธรรมดานักบวชทั้งหลายก็มากรับที่คือไม่รู้ว่าใครรับที่อะไรเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะถ้ารัที่เดียวคนละรับที่ไปอยู่ที่เดียวกันจะเป็นอย่างไรนี่นายหนึ่งอีกนายหนึ่งธรรมดาบร r ประเทศทั้งหลายก็อัธยาศัยแตกต่างกันบางพวกก็ชอบอยู่กับเพื่อนกับหมู่กับคณะ บางพวกไม่ชอบหมู่คณะเลยเนี่ยนะบางพวกก็ชอบลเลีกรเลนชอบกายยะวิเวกบางพวกก็ไม่ชอบกายยะวิเวกนะซึ่งท่านนายพระขาวเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยได้ยกให้นักบวชที่มาก่อนแล้วบรรปชิดก่อนแล้วพันถ้าหากว่าบรรปชิดที่มาอยู่ก่อนท่านอนุญาตก็เชิญพักได้เล ย, ยเนี่ยก็สมัยนั้นแหละกุลบดเชื่อว่าปกาติ ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยศรัทธานไเรียกว่าอ่านจดหมายออกบวชได้เลยอ่ะนะปุกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในโรงของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติยังที่พักแล้วตรัสกับท่านปุกุสาติดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถิด ถ้าไม่หนักใจขอพักด้วยคืนนึงท่านปกุศติตอบว่าดูก่ อ, น ท, น, อ, อกก น, นท่านผู้มีอายุโรองช่างหมอกกว้างขวางนิมนท์ท่านผู้มีอายุพักตามสบายเถิอดอันนี้ประกาศถึงพระมหากรุณาธิคุณความมักน้อยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อวดตัวเลยนะบอกว่าฉันคือพระพุทธเจ้านะนะไม่ไม่ไปพูดอย่างนั้นนะความมักน้อยของพระองค์แม้มีคุณถึงขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีความรู้สึก ว่าต้องโอ้อวดอะไรเนี่ยนะลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่โรงช่างหม้อแล้วทรงลาดสันทัตญ่าณที่ควรส่วนข้างหนึ่งประทับนั่งคูบาลังตั้งพระกายตรงดํารงสติมั่นเฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากตรงนี้พระผู้มีพระภาคนั่งเข้าพระละสมาบัติพระละสมาบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามักจะเข้าคือ จตุทชาญเนี่ยนะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็แปลว่าเข้าพระสมาบัตินั่นนะอรหัตผลสมาบัติระดับชาญที่สี่เมื่อพระองค์นั่งคูบาลังอย่างเี่นะโดยราตรีผ่านไปเป็นอันมากก็แปลว่านั่งเลยเที่ยงคืนนั่นนะนั่งแต่หัวค่ำเนี่ยเลยเที่ยงคืนก็คาดว่าไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงนั่นนะนั่งเข้าสมาต์นั่งเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมง แม้ท่านปกุาติก็นั่งล่วงเยลยราตรีอันนั้นเป็นอันมากเหมือนกันท่านปกุสาตินี้ก็นั่งเข้าฌานที่สี่มีลมหาย ใ, ใจเข้าออกเกินหกชั่วโมงอีกเหมือนกันเนข้าฌานสมาบัติฌานสมาบัติพระพุทธเจ้าเข้าพระสมาบัติเป็นโลกุตระส่วนปกุสาตินี่เข้าฌานสมาบัติแต่เป็นฌานสมาบัติที่มีลมหาย ใ, ใจเข้าออกเป็นอารมณ์ระดับฌานที่สี่ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าะนะคือพอเวลาล่วงเลยเกินเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะร่างกายของปุกุษาตินี่ก็หายเพลียถือว่าร่างกายที่มีจตุทชานเนี่ยเป็นเป็นสมุทฐานในส่วนที่เป็นจิตตชรูปเนี่ยนะก็ถือว่าสบายและได้ร่างกายที่เป็นสปายะอิริยาบทสบปายะได้สปายะล้อย่างอินทรีก็พร้อมมันพระองค์ก็พอออกจากพระาสมาบัติ ก็ทรงรำเรกดังนี้ว่ากลุ่มบทนี้ประพฤติหน้าเลื่อมสายหนอะเขาเราควรจะถามดูบ้างนะคนนั่งเข้าชาตินี่นะดูแล้วก็หน้าเลื่อมสายอนะตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท่านปุกุสาติดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุ น, นะทโดยศับดูภิกษุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในวตัตตนะถ้าสำนวนพระสูตรก็คือดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวตัตต์ท่านบทอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมะของใครอันนี้ถือว่าเป็นหลักการที่ที่สมัยนั้นเขาเขามากกักจะสนทนากันสมัยนี้เขาก็ถามกันอย่างนี้เหมือนกันแบบท่านสายไหน เ, นะ เ, เขาเขาถามกันแบบนี้ท่านสายไหนหลวงปู่ไหนหลวงพ่อไหนอะไรไหนก็ว่ากันไปตามนั้นะถ้าเขาบอกว่าสายไหนอย่าบอกว่าสายไฟฟ้านะานะาไม่มีสายที่นี่ที่นี่ไม่มีสาย นนะไร้สายสมัยใหม่ไม่มีสายแล้วนนนะเน า, นา <c oughs> ใช้ไฟไตยวดอกไม่ต้องใช้สายมันก็เลยถามว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของท่านท่านชอบธรรมะของใครตรงนี้ก็เน้นถามไปที่าศาสดานะ ท่านปกุสาติต่อว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระสมณโคโดมผู้สักยะบุตรเสด็จออกจา ก, กา ส, สักยะสกุลเนี่ยนะสักยะราชาสกุลทรงผนวดแล้วก็พระโคโดมผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลมีกิติศัพท์อันงามเนี่ยนะฟุ้งไปอย่างนี้ว่าเนี่ยนะกิติศัพท์โทอภุคโตเนี่ยนะ อิติปิโสพะคะวาแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรงนี้ออบอกรู้เองโดยชอบวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะอนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ สาธาเทวมนุษย์นังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้ตื่นแล้วพคกวาเป็นผู้จำแนกธทำซึ่งโดยแต่ละคำเนี่ยนะอันนี้ก็แปลแบบย่อๆข้าพเจ้าอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอุทิตพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นนีนะ และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนภิกษุก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตรสัสรู้ชอบได้ด้วพระองค์ น, นเองเประทับอยู่ที่ไหนปพุกุสาติก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระนครชื่อว่าสาวัตถีอยู่ในชนบททางทิศเหนือ เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จอยู่ตอนเนี้ยพระองค์ไม่ได้มีรัศมีเลยนะีพระองค์กลบรัศมีหมดอธิษฐานไม่ให้มีรัศมีเรียกว่าให้ดูเหมือนภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ให้ดูแบบอะไรนะพูดแบบภาษาหนึ่งนะเคยเห็นแบบขาราชการผู้ใหญ่ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นอยู่ตัวเดียวนะไม่ได้อยู่เต็มเต็มยศเต็มตำแหน่งใช่ไหมถ้าตอนนั้นเนี่ยจะดูไหมใครเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยดูออกม ดูไม่ออกเขาบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งนะเข้าไปถามเจ้านายประดับผู้ใหญ่เลยนะซึ่งเจ้านายเนี่ยกําลังแต่งตัวแบบก็ไปถามหานะไปถึงก็ไม่รู้จัก่ะก็ไปคุยกับเจ้าตัวเขานั่นแหละก็บอกว่าไปรอที่นั่นก็แล้วกันอีกฝ่ายนี้ก็ไปแต่งตัวแล้วค่อยไปคุยด้วยใช่ไหมนะก็ไปถามเจอตัวพอดีเลยนะซึ่งก็ลักษณ์นี้ก็เหมือนกันนี่แหละก็คือเพราะพระองค์เนี่ยปกปิด เรีว่าับพันนรังสีเป็นต้นแม้กระทั่งนายพัวะเนี่ยก็ไม่รู้จักเลยนะซึ่งเป็นชาวเมืองราชครืึ้ที่เรียกใครบ้างไม่รู้จักพระจันทร์พระอาทิตย์เหมือนกันคนที่ไม่รู้พระจันทร์พระอาทิตย์ก็เหมือนกับไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ว่าปกปิดเหมือนกับพระจันทร์เนี่ยใช้เมฆหมอกเนี่ยปิดบังก็เลยไม่รู้จัก<ม>และก็บอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีห่างจากนี่ไปกี่กิ่ยน 45้าโยดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนภิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหรือและถ้าท่านเห็นแล้วจักรู้จักไหมปุกุสาติก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพราะว่าอ่านสารอ่านจดห ม, มายมาเนี่ยนะบวชก็บวชมาตามจดหมายนี่แหละว่างั้นแต่ท่านก็ไม่บอกว่าท่านอ่านจดห ม, มายมาใช่ไหมท่านไม่ได้ว่างั้น แต่ว่าก็เลยบอกถามเฉพาะตรงประเด็นคือคนที่ได้ฌานเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งที่ที่ท่านเหล่านั้นมีอยู่เนี่ยคำพูดท่านจะไม่มีการย่นเยอะอะไรเอาแต่ประเด็นเอาแต่สาระเพราะว่าคือท่านเข้าถึงธรรมที่เป็นสาระเนี่ยนะพะันคาพูดถ้อยคำเป็นต้นเนี่ยค่อนข้างประหยัดมากๆเลยแม้แต่อะไรนะคำพูดทั้งหลายเนี่ยมีวิตกวิจารเป็นสมุทฐาน ท่านเหล่านั้นเนี่ยรังเกียจแม้กระทั่งวิตกวิจารณเพราะฉะนั้นคําพูดท่านโดยมากไม่ค่อยพูดกันนะยิ่งพูดได้ฌานด้วยแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแทบไม่คุยกันเลยนะอย่างพระอนุรุทธะพระกิมิละเป็นต้นเนี่ยนะท่านอยู่ด้วยกันสามรูปพระพคูอีกท่านหนึ่งอยู่ด้วยกันสามรูปเนี่ยวันหนึ่งแทบไม่คุยกันเลยถ้าคุยก็คุยธรรมะไปเลยนะะ คุยทั้งวันทั้งคืนไปเลยแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มากไปด้วยสมาบัติคนผูดที่ได้ฌานเป็นต้นเนี่ยนะรังเกียจแม้กระทั่งวิตกวิตกเนี่ยเมื่อวิตกไม่ค่อยมีก็ไม่มีกระถาอะไรที่จะต้องคุยกันงนั้นเพราะคนที่มักไปด้วยการพูดนะให้รู้ว่ามากไปด้วยอกุศลวิตกพวกนี้จะมักมักพูดอ่างนั้นเถอะมักพูดบางคนก็พูดแบบมีเสียงกับไม่มีเสียงไงบางคนเนี่ย เสียงไม่ค่อยแปลกหรอกแต่ว่าใจนี้พูดมากแล้วเกิออ น, นะนอย่างเงี้ยนะช่างบ่นอย่างเงี้ยสรุปว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึงเห็นก็ไม่รู้จักลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระดําเริดังนี้ว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราเราควรจะแสดงธรรมะแก่เขาแต่นั้นพระองค์จึงตรัสเรียกท่านปกุศสาติว่าดูก่อนภิกษุเราจะแสดงธรรมะแก่ท่าน ท่านจงฟังธรรมะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปนะที่บอกว่าท่านปกุสาตินี่ประดุดอะไรนะอุปมาเหมือนกับนักเลงสุราใช่ไหมถ้านักเลงสุราเนี่ยบอกข้าพเจ้าจักรินสุราให้ท่านดื่มเนี่ยนะท่านรังเกียจไหมปกติไม่รังเกียจฉันใดท่านปกุศสติเนี่ยเป็นผู้ใคร่ทำฉันนั้นคือคือพูดถึงว่ากระหายเรื่องนี้จริงๆงนะถ้าถ้าใครที่เคยเข้าใจคําว่านักดื่มเนี่ยนะก็พวกนี้ฟังปั๊บ ฟังฟังรู้เรื่องทันทีว่าพวกนักดื่มเนี่ยนะโอ้ก็จะดืไมไหมเบอกว่าพยักหน้าทันทีเลยนะรับตร็วมากชันใดกลุ่มนี้ก็ลักษณะเดียวกันผู้ที่มากด้วยการฟังธรรมมีอัธยาศัยชอบฟังธรรมก็เหมือนกันก็บอกว่าเราจะแสดงธรรมให้ท่านให้ท่านฟังเนี่ยนะเขาก็จะฟังก็เลยรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสหัวข้อ อุเทศเนี่ยนะซึ่งพระสูตรนี้เรียกว่าธาตุวิพังคสูตรใช่ไหมเมื่อธาตุวิพังคสูตรก่อนที่จะมาวิพังคือขยายความจำแนกความนี้ก็ต้องมีอุเทศก่อนก็เลยแสดงอุเทศหัวข้อว่าคนเรานี้มีธาตุหกเนี่ยนะมีภาษายตนะหกมีความมีมโนปวิจารสิบมีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่คืออธิฐานธรรมสี่เนี่ยนะ อันเป็นธรรมะที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูณจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี้เป็นอุเทศแห่งธาตุวิพังหกเนี่ยนะ ก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการจําแนกเนี่ยนะในข้อหกร้อยเสิบนี่ยนะข้อหกเเนี่ยสำคัญมากเลยนะเป็นหัวข้อสําคัญที่จะได้กล่าวต่อไปที่พระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าคนเรานี้มีธาตุหนะนะถ้าแยกศัพท์นะคนเรานี้อ่ะนะอันนี้เป็นบัญญัติเนี่ยนะเป็นบัญญัติมีธาตุหเนี่ยเป็นปรมาทิศใช่ไหมก็เป็นบัญญัติกับปรมัทิศแสดงควบคู่กันไป คนเรานี้มีภาษายตนาหก น, นะคำว่ามีในที่นี้นะตรงนั้นบอกว่าเป็นปุคลาทิฏฐานว่าคนเรานี่มีธาตุหกมีภาษายตนา6ภาษายตนา6ตรงนี้ก็แปลว่าแดนสัมผัส6กแล้วนะจึงก็มาจากคําว่าภาษายตนา6แล้วก็มีมโนปวิจารณ์สิแปเขาแปลว่าความหน่วงนึกของใจนะก็คือมโนปวิจารณ์สแล้วก็มีอธิฐานธรรม4ี่ ก็คือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสีอันผู้ที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะคือตั้งอยู่ในธรรมทั้งสี่ดังกล่าวแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนกิเลสเครื่องสำคัญตนนี่เป็นชื่อของตัญหามานะทิฏฐิกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปหมักหมมก็ตัญหาเป็นต้นนั่นแหละเมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนคือตันหทิทและทิฏฐิมานะเนี่ยนะ กิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบมุนีผู้สงบตรงนี้เป็นชื่อของพระอรหรอนันต์เพราะว่าพระอรหันต์นี้เป็นมุนีผู้สงบไม่เพึงประมาทปัญญาที่หมายถึงสมาธิปัญญาและก็วิปัสสนาปัญญาไม่เพึงประมาทสมาธิปัญญาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยเพื่ออรหัตเพ่งรักษาสัจจะหมายถึงรักษาวจีสัจจะที่หมายถึงอธิศีและสิกขาเมื่อรักษาสัจจะ เกือบที่ศีลสิกขาที่เป็นวจีสัจจะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อปรมาทสัจจะขืนิพานพึงเพิ่มภูณฑ์จาระอันนี้ก็หมายถึงปะหานะนั่นเองจาระหมายถึงปะหานะตะทางค้าปะหนันเป็นต้นเพราะนั่นก็ให้เพิ่มภูณฑตะทางข้าปะหนันวิคัมพะณ ะ, ะปะหนันสมุจเฉทะปะหันเดินต้นนะพึงศึกษาสันติคำว่าสันติหมายถึงการสงบกิเลสนะ่ยนะ สงบกิเลสเพ่งศึกษาสาันติหมายถึงศึกษาอรหัตผลอันนี้เป็นหัวข้อโดยย่อซึ่งบรรูอธิกฐาอธิบายก่อนนะอธิกฐาหน้า365 365นั่นะบ น, น, 365, นับขึ้น6บรรทัดนนหน้า3 6ม้ยหนับขึ้น6บรรทัดบทว่าฉะทาตุโรอายังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสข้อปฏิบัต ส่วนเบื้องต้นแกคุระบุตรแต่ทรงปราลบเพื่อตรัส บ, บอกวิปัสนาลักษณะเท่านั้นซึ่งเป็นความว่างเปล่าอย่างยิ่งอันเป็นประทาฐานแห่งพระอาหารหันต์แต่เบื้องต้น น, นะท่านปุกุสาติเนพระพุทธเจ้าไม่สอนอธิสีและสิกขาที่จิตสิกขาอะไรเลยใช่ไหมมาถึงสอนข้อปฏิบัติเพื่ออาหารหันเลยอธนะิบายว่า บุปผภักปฏิปทาของผู้ใดยังไม่บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกปุพผภักปฏิปทาปุพผภักเนี่ยแปลว่าเบื้องต้นเนี่ยนะปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติหรือเครื่องดําเนินเครื่องดําเนินเบื้องต้นที่ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะที่จะต้องสอนกันก่อนก็คือศีลสังวรเนี่ยนะสีลสังวรก็หมายถึงกายสุจริตว จ, จริตวจริตรวจริตรวจริตรวจริตรวจริตรวจริตรวจริตรว่าศีลสังวริ คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คืออินทรีย์ทั้งบอลโภชเนะมะตันยุตาที่เรียกว่ารู้จักประมาณในโภชนะชาคริยานุโยกการประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วก็ตั้งอยู่ในศัทธธรรม7ประการศัทธธรรมเจก็มีศรัทธาหิริโอตตะสุตตวิริยสติปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าศัทธธรรม7แล้วก็ฌานสแก่ผู้นั้นก่อนทีเดียวสังเกตทั้งหมดนั่นก็คือจารณะ15 นก็ดนั้นใครที่เบื้องต้นไม่ค่อยดีนะักพระองค์จะสอนจารณะ15ก่อนจารณะ15ไล่ดูนะหี 1, ลสังวรสออินทรีสังวรคือคุ้มครองทวารในนะอินทรีทั้งหลายเนี่ยนะ 3, ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะที่เรียกว่าโพชนะมะตันยุตา 4. การประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นที่เรียกว่าชาคิริยานุโยกะนะสแล้วใช่แล้วก็ักธรรมอีก7 ก็ศรัทธาเป็นข้อหกเจ็ดฮิริแปดอตปะเก้าสุตะสิบวิริยะสิบเอ็ดสติสิบสองปัญญาเกินสิบเอ็ดปัญญานะแล้วก็ฌานอีกสี่ประการก็รวมเป็นสิบห้าพอดีพันพระองค์ก็จะสอนจารณะสิบห้าก่อนซึ่งปุกุสาติกุลบุตรนี้จารณะสิบห้าท่านดีเยี่ยมหมดเลยนะเพราะได้ฌานสี่เรียบร้อยแล้วนี่ แต่ปุปภภาคปฏิปทานนั้นใดของผู้ใดบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ตรัสปุปภะภาคปฏิปทา น, นั้นแต่จะตรัสบอกวิปัสนานั่นแหลซึ่งเป็นประทัดฐานคือเหตุใกล้แห่งพระอรหันต์แก่ผู้นั้นก็ปุพภภาคปฏิปทาของกุลบุตรบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะเรียแกบบว่าดีเยี่ยมแปลโดยรวมวสุจริตสามดีเยี่ยมศีลสังวรกายสุจริตวจีสุจริตก็ดีเยี่ยม ปัจจัยที่สําคัญต่ออินต่อศีลสังวรก็คืออินสีน่สังวรผู้ที่จะอินสี์สังวรได้ดีจะต้องมีโภเชเนมตันยุตารู้จักชาคริยานุโยกแล้วก็คุณธรรมภายในตัวเนี่ยนะศรัทธาหิริโอตปะโสตสติวิริยะปัญญาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดีอยู่แล้วคุณธรรมพื้นฐานบาดฐานเหล่านี้ต้องดีจึงจะรองรับฌานสี่ได้เมื่อรองรับฌานสีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเบื้องต้นเนี่ยดีเยี่ยมมาแล้วเนี่ย สุจรศสามเนี่ยดีเยี่ยมก็ที่เหลือก็ฟังวิปัสนาเพื่อความบรรลุเลยจริงอย่างนั้นกุลบุตรนั้นอ่านภาสารแปลว่าอ่านจดหมายแล้วก็ขึ้นปราศาสอันประเสริฐนั่นเทียวยังอาณาปานะจตุธาชานให้เกิดขึ้นแล้วกำหนดลมหาย ใ, ใจเข้าออกจนได้ฌานสี่หลังจากนั้นก็ได้เดินทางตลอด192โยตยังกิจในยานให้สาเร็จ แม้สัมามนเณรศีลของกุลบตรนั้นก็บริบูรณ์ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสปุปภคปฏิปทาแต่ทรงปรารถเพื่อจะบอกวิปัสนาลักษณะอันมีความว่างเปล่าเป็นอย่างยิ่งคือลักษณะของวิปัสสนาก็คือสุญญตาใช่ไหมคือความว่างเปล่าไอ้คำว่าว่างในที่นี้เนี่ยหม้อว่างนี่มีหม้อไหมนี่เป็นต้นไอ้คำว่าว่างก็คือมีแต่สังขารธรรมเท่านั้นเองอนะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตานั้น ซึ่งเป็นเหตุใกล้ของพาหาันก็แปลว่าประกาศให้ทําปริญญากิจไปเลยนะคือถ้าเบื้องต้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็สอนให้ทําปริญญาไปเลยพระองค์ก็เลยตรัสว่าชะทาตุโรได้แก่ธาตุหกมีอยู่บุรุษไม่มีอยู่เนี่ยนะคือเราว่าบุรุษบุคคลเนี่ยนะปุริโสเนี่ยบุรุษบุคคลเนี่ยมีธาตุหคําว่าบุรุษเนี่ยนะไม่มีอยู่โดยปรมัาท เป็นคำที่ไม่มีโดยปรมาตรส่วนาธาตุหกนี่มีอยู่โดยปรมาตรเนี่ยนะความจริงแล้วคำว่าบุรุษนี้ต้องอาศัยาธาตุหกประชุมกันใช่ไหมจึงจะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าบุรุษก็เหมือนกับว่านายกรนายขอเป็นต้นเนี่ยนะก็เมื่อาธาตุหกประชุมกันแล้วจึงจะเรียกชื่อเรียกโวหารได้ชันใดนี่ก็เหมือนกัน แต่ถ้าไม่แสดงว่าบุรุษบุคคลเนี่ยมีธาตุกนะ่ธาตุกมันจะอยู่ที่ไหนเนาะฟังแล้ววุ่นวายไปหมดเลยนันก็เลยพูดทั้งบัญญัติปรมัตควบคู่กันไปทีนี้หลักการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เรียกว่าวิชามานะบัญญัติอวิชามเนนะอวิชามา น, นะาาาบัญญัติเป็นต้นเนี่ยซึ่งจะขข้อให้ดูอย่างนี้ น, น, นะอวิชชามานนะวิชชามานะบัญญัตินนะวิชชามานนะข้อหนึ่งก่อนนะข้อหนึ่งอะ วิชามานนะอวิชามานะบัญญัติข้ อ, อก็อาวิชามานนะวิชามานะบัญญัติแล้วก็สก็วิชามานนะวิชามานะบัญญัติ แล้วก็ อ, ว, าาอวิชามานเณนะอวิชามานะบัญญัติคําว่าวิชานเนี่ยนะคิดง่ายๆว่าคําว่าวิชาเนี่ยแปลหมายถึงว่ามีโดยประมัดวิชาตัวนี้หมายถึงประมัดเนี่ยเองแปลว่ามีอยู่โดยประมัด ส่วนอวิชชาเนี่ยหมายถึงบัญญัติอย่างขอ้อแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหนไอ้คำว่าสิ่งที่ไม่มีตัวนี้ก็คืออวิชชามาเนเณนะใช่ไหมสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะด้วยสิ่งที่มีเนี่ยหมายถึงว่าวิชามาเนเณอวิชชามานะบัญญัติ อันนี้ข้อแรกก่อนนะสังเกตด้วยแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหนอันนี้หมายถึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าแสดงสิ่งที่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีในที่ไหนนะบันทึกตามในหนังสือเนี่ยจะมีนะอันนี้เเป็นบาลีนะห้าในหน้าสามสามหเนี่ยเห็นทรงแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหนอันนี้โน้ตไว้ว่าหนึ่งสามหหก เห็นไหมข้างล่างฉะตาตุโรเนี่ยหึงแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหน 2. สองแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีในที่ไหนก็น ố หนึ่งสองสามไปเองอ่ะนะแล้วก็จะ ง, ง่ายเองเขียนเองอ่ะนะแสดงสิ่งที่ ม, มีด้วยสิ่งที่ไม่มีในที่ไหนนี่เป็นข้อที่สามข้ อ, อสีก็แสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหน แล้วก็บอกว่าถ้าจะดูรายละเอียดก็ไปดูเอาในสัพพาสวะสังวรสูตรก็ไปดูเล่มสิบเจเอาก็แล้วกันแต่ตรงนี้จะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างมันมีที่ไหนยครังใช่ไหมที่ไหนอยู่สี่ครั้งนั้นที่ไหนอันแรกก็คือเนี่ยวิชามานาีนะอวิชามานะบัญญัติแปลว่าแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมเขาบาลีเขาแปลข้างหลังก่อนแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มี เช่นอะไรเช่นผู้มีวิชาสามผู้มีวิชาสามเป็นต้นเนี่ยหรือผู้มีอภิญญาหกเผู้มีวิชาสามอันนผู้มีอภิญญาหกอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างก็เรียกอุทาหรณ์ตัวอย่างว่าแสดงสิ่งที่ไม่สิ่งที่มีแสดง ผู้มีเนี่ยน ะ, ะูดในที่นี้เนี่ยผู้ก็หมายถึงบุคคลใช่วิชาสามมีอยู่จริงผู้มีอภิน ญ, ญาหเนี่ยผู้มีเนี่ยผู้เนี่ยไม่มีอยู่จริงโดยประมัติแต่อภินยาหมีอยู่จริงเนี่ยนะคือเรียกว่าแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีคืออาศัยวิชาสามว่าเป็นที่ตั้งแห่งบัญญตัติว่าผู้ใดมีวิชาสามพวกนั้นเรียกว่าเตวิชโช ผู้ใดมีอภินยาหกเรียกว่าชะพินโยส่วนข้อสองนะแสดงสิ่งที่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีเช่นก็บอกว่ารูปของผู้หญิงเนี่ยนะตัวอย่างอุทาหอนตัวอย่างก็คือว่ารูปของผู้หญิงเนี่ยรูปหญิงเนี่ยนะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่ รูปหญิงอัน น, <drafting. S 1> นี้มีอยู่จริงโดยประมัตใช่ไหมอิทธิภาวะเนี่ยมีไหมมีมีอยู่จริงโดยประมัตจิตนี่ก็มีอยู่โดยประมัตใช่ไหมแต่บุรุษเนี่ยไม่มีอยู่โดยประมัตเพราะฉะนั้นแสดงสิ่งที่มีคือรูปหญิงเนี่ยนะรูปหญิงเนี่ยมีอยู่จริงใช่ไหมคำว่ารูปเนี่ยมีอยู่จริงอิทธิภาวะก็มีอยู่จริง <What>? <add>. <ằng> รูปหญิงเนี่ยสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็แสดงด้วยสิ่งที่ไม่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงคือบุรุษผู้ชายนี่ไม่มีอยู่จริงโดยประมัดเพราะฉะนั้นรูปของหญิงเนี่ยนะรูปหญิงเนี่ยครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เป็นการแสดงสิ่งที่มีอยู่จริงแสดงสิ่งที่มีอยู่โดยสิ่งที่ไม่มีนี่เป็นข้อสองนะข้อสาม เช่นแสดงสิ่งที่มีอยู่โดยสิ่งที่มีอยู่เช่นอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณเนี่ยนะอันนี้อาศัยจากสุ ก, กับรูปจากสุ ก, กับรูปก็มีอยู่จริงใช่ไหม โดยสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือจักคูวิญญาณก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอันนี้เรียกว่าปรมัสุลล้วนเลยนนไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นเลยส่วนสุดท้ายเนี่ยนะอวิชาาาาวชามานะอวิชชามนบัญญัติหมายถึงว่าแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีราชกุมารพระองค์หนึ่ง น, นะอยู่ร่วมกับนางพราม นะราชกุมารเนี่ยแปลว่าไปแต่งงานกับนางพรามอันนี้ไม่มีพูดสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีนะนะพูดสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งไม่มีไม่มีทั้งคู่เลยเนี่ยนะราชกุมารเนี่ยไม่มีอันนี้นี่ยจะต้องลืมว่าพูยแบบปรมัจา์กับบัญญัติเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่มีในที่นี้แปลว่าไม่มีอยู่โดยสภาวะนะนะแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่านี่ชั้นสภาวะของราชกุมารนะ อันนี้เป็นตัวอย่างว่าราชกุมารอยู่ร่วมกับนางพรามนะ น, น, นางพรามเนี่ยเรียกว่าบ ร, รมนาะกัญญาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าฉันเป็นมณะพรามนะมีอะไรเป็นรหัสเตือนหรือเปล่าทรานก็เลยพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่โดยประมัตเนี่ยนะ